คนมักจะถามว่าสติกับสมาธินี่มันต่างกันยังไงดูไม่ค่อยคล้ายกันสติกับสมาธิครูบาอาจารย์ท่านก็เปรียบว่าเหมือนกับเราเลี้ยงวัวไว้ตัวหนึ่งวัวมันก็ชอบเพ่นพ่านไปกินข้าวไหรือไปกินผักของบ้านคนอื่นเขาก็เลยต้อง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 หัว น, นี้ก็เปรี่ยนมันก็จิตจิตมันจะอยู่นิ่งเป็นสมาธิได้ก็เพราะว่ามันถูกเหนียวเอาไว้กับอารมณ์หลักหรือเสานี้ก็เปรียบเสมือนกับอารมณ์ที่เราใช้ในการกำหนดใจลมหายใจหรือว่าอิริยาบทการเคลื่อนไวหวเรืออาจจะเป็นงานที่เราทำอยู่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 เมื่อเกิดสมาธิขึ้นก็จะเกิดความความสุขน้อยๆ น, นะเพราะว่าจิตที่ไม่แสสายจิตที่ตั้งมั่นและสงบนะมันก็เป็นจิตที่มีความสุขนั้นะสติสมาธิเราสุขนี่มันก็เชื่อมโยงกันสติเป็นปัจัยเกิดสมาธิแต่บางทีมีสมาธิแต่ไม่มีสติก็มีนะมีสมาธิแต่ไม่มีสติอย่างเช่น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 ไปวัสนามในวันแรกประโยคแรกที่ท่านบอกก็คือว่าให้ทำเล่นๆทำเล่นๆแต่ทำจริงๆไม่ว่าทำเล่นๆแต่ทำไปเรื่อยๆ อ, อันนี้คนไม่เข้าใจเวลาจะทำอะไรนี่ก็ต้องทำด้วยความมุ่งมั่นต้องโหมต้องบังคับตัวเองในเรื่องทางโลกนี่การทำด้วยความรู้สึกแบบนั้น ไม่มีปัญหาแล้วก็อาจจะทาให้สำเร็จได้ด้วยเช่นโอมในการเรียนหนังสือโอมมุ่งมั่นนะ ท, ที่ใช้คาว่ามุมานะมุมานะจะเอาให้ได้อันนี้ในการเรียนหนังสือหรือว่าในการทำงานมันก็ได้อยู่หรอกแต่เรื่องของการบำเพ็ญทางจิตนี่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนถ้าเราทำด้วยจิตที่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 แล้วก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าว่าทําด้วยความตั้งใจด้วยความอยากด้วยความคิดที่จะเอาชนะกิเลสหรือความฟุ้งซ่านแล้วมันก็จะเครียดที่แรกก็เครียดที่ใจก่อนตอนหลังก็เครียดที่กายปวดหัวแน่นหน้าอกบางทีก็ปวดไหล่ปวดมือปวดขาสุดแท้แต่อากาศของแต่ละคนแต่ที่มักจะเป็นคือว่าปวดหัวแล้วก็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 ยิ่งห้ามมให้คิดก็ยิ่งคิดเข้าไปใหญ่สุดท้ายก็เลยทอ้อแท้พอทอ้อแท้เลยเลิกดีกว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่าอันนี้นอกปฏิบัติหลายคนก็มาลงเอยแบบนี้กันเยอะเพราะทำด้วยความรู้สึกที่อยากจะเอาชนะอยากมีอยากเป็นอยากได้ ห, หลวงพ่อเทียนนั่นก็เลยแนะก็แนะทุกคนแหละไมนะ่ทำเล่นๆแต่ทำจริงๆ จริงๆในประโยคที่สองหมายความว่าทำไม่หยุดทำไปเรื่อยๆถามว่าปฏิบัติยังไงเริ่มทำตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงทีแรกก็นึกว่าให้ทำตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นตามเวลาราชการพวกเราเป็นคนเมืองไปเข้าใจอย่างนั้นหลวงพ่อเทียนบอกตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยดีที่ท่านไม่ได้บอกให้ทาตอนหลับด้วยเราก็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 ไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งข้างแรกก็คือการปล่อยใจฟุ้งซ่านปล่อยใจลอยปล่อยใจลอยนี่เป็นทางสุดต่งทางหนึ่งอีกทางนี้คือการบังคับกดข่มเอาไว้มันจะคิดไม่ให้คิดเวลามันงดหงิดก็ไปกดมันเอาไว้เนี่ยคนเรามักจะเหี่ยงไปทางข้างใดข้างหนึ่งคือใจลอยปล่อยใจลอยฟุ้งซ่านหาเรื่องให้มันคิด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 นั่นนี่เป็นลักษณะหนึ่งอีลักษณะนี้ก็คือไปกดข่มห้ามมาไว้กดไม่ให้โกรธนะไม่ให้โกรธล้วความโกรธไม่ได้เป็นไหนนะมันก็ไปโผลที่ตรงอื่นบางรายนี่อาการหนักเช่นบางคนนี่ทะเลาะกับพ่อทเลาะไปทะเลาะมาพ่อด่าด้วยถ้อยคําที่รุนแรงเจ้าตัวฉันเป็นผู้หญิงก็ลืมตัว เงื้อมือขึ้นมาจะตกจะฟาดเสร็จแล้วนึกขึ้นมาได้ห้ามเอาไว้ก็เสียใจแต่ว่าความโกรธก็ยังมีอยู่ก็ไปกดเอาไว้ทั้งความโกรธทั้งความเสียใจเพราะรู้สึกว่ามันไม่ดีที่ลูกจะไปโกรธพ่อไม่ดีที่ลูกจะไปทำลายพ่อกดเอาไว้ไม่พยายามทาตามความโกรธกดเอาไว้แต่ว่าไอ้ความโกรธนี่มัน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 ขณะที่รถนี่มันแล่นด้วยความเร็วบางทีอารมณ์ของเรามันแรงแต่ว่าสติของเรามันอ่อนลู้ตัวไปเดียวๆก็หมดแรงนะหมดแรงก็ไอความโกรธมันก็เข้ามาแทนที่พอรู้อีกทีความโกรธก็หายไปแต่ก็หายไปได้ไปเดียวๆสติหายความโกรธเข้ามาแทนนี่มันอาการที่ความโกรธ ม, มันเข้ามามันมันเร็วมากเหมือนรถที่แล่นด้วยความเร็วแตะเบรก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 รว่าเราไปยึดเอาไว้มันก็ปล่อยออกไปยังมีนักปฏิบัติธรรมยังมีผู้หญิงคนหนึ่งเขามาพบว่าสามีเขานอกใจคบกันมาใช้ชีวิตกันมา1ิบกว่าปีนึกว่าจะลงเอยด้วยดีแต่ปรากฏ ว, ว่ามาพบโดยบังเอิญว่าสามีนอกใจเขาโกรธมากโกรธแบบโวยวายแทบจะทําลายข้าวของ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 จงกลมเอามือประสานไว้ที่ท้องเดินเป็นชั่วโมงแล้วรู้สึกเมื่อยมือข้อมือประสานไว้ที่หน้าท้องเนี่ยพอรู้สึกเมื่อยมือเขาก็ปล่อยปรากฏว่านอกจากจะสบายกายแล้วมันสบายใจอย่างที่ไม่เคยมาก่อนไม่เคยมีมาก่อนเพราะตอนนั้นก็ได้รู้สึกขึ้นมาแลว้วโอ้เพราะเราปล่อยนะมันถึงสบาย ที่เราทุกข์เพราะเรายึดเอาไว้ไปยึดมือเอาไว้มันก็เลยเมื่อยแต่พอปล่อยก็สบายปัญญาไม่เกิดขึ้นตรงนี้เองว่าที่เราทุกข์เพราะเราไปยึดเอาไว้เรื่องที่ผ่านไปมันไม่ยอมปล่อยสักทีไอตอนที่ปัญญาเกิดมันเกิดขึ้นเพระอะกการปล่อยมือได้คิดขึ้นมาทันทีเพราะว่าใจนี่โล่งไปเลยใจนี่โลง่ง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 มันมาหลอกด้วยอาการสารพัดทั้งมายั่วยวนทั้งมาชวนให้ศึกทั้งมาชวนให้ไปของราชสมบัติหรือว่าหลอกทำให้เกิดแผ่นดินไหวหรือมารังควานมาสิงอยู่ในท้องวิธีหนึ่งที่พระจาเด่แนแน่ที่จะสู้กับมารคือว่าให้รู้ว่าเนี่ยเป็นอุบายของมาร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 ยอมแพ้เลยมันก่อนที่มันจะลายก็ลำพึงวันิพัสสิมิติรู้จักเราแล้วภัสสมิติรู้จักเราแล้วกับพระโมคคัลลานะก็เหมือนกันนะมาหลอกมาสิ่งอยู่ในท้องพระโมคคัลลานะไม่ต้องทําอะไรมากก็กพิโนร่น ว, วนี้ชี้หน้าบอกว่านิมาพูดใจบาเรารู้จักเจ้าแล้วให้เขาว่ารู้จักหรือว่าร่วว่ามันมาเ ก, กาะกลวนี่มันมีพลังแล้วเนี่ยคือพลังของสติ รังสิการที่เรารู้รู้เพียงแค่รู้เท่านั้นเพราะเมื่อรู้แล้วมันก็ละละไปได้เองแต่ข้อสมอคือว่าต้องวางประคองจิตให้ดีถ้าเราไปเพ่งเมื่อไหร่สติมันก็ไม่เกิดเพราะว่าตัวรู้มันไม่ทำงานแล้วต้องคลายลงและที่สคัญอีกอย่างหนึก็คือว่าต้องประคองจิต บนทางสายกลางไม่เวียงไปทางเพ่งเข้าในหรือส่งจิตออกนอกส่งจิตออกนอกนี่เราก็รู้กันอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วซึ่งไม่ได้ปฏิบัติแต่พอมาปฏิบัติมันจะส่งจิตเข้าในหรือเพ่งเข้าในจริงไปเพ่งดูความคิดหรือไปเพ่งที่เท้าไปเพ่งที่มือหรือก็ไปกลายเป็นเพ่งที่ความคิดนี้ต้องระวังการจุลสตินี้มันต้องเรียกว่า รู้ทั้งนอกและรู้ทั้งในแต่รู้นอกนี่ก็ไม่ไายความส่งจิตออกนอกจนกูไม่กลับแล้วก็รู้ในก็หมายความเพ่งเข้าใหนหอยู่ตรงกลางๆที่เรียกว่าทางสายกลางนี่แหละหลวงพ่อมเขียนเคยเล่านะสมัยที่ท่านปฏิบัติใหม่ๆวัดป่าพุทธยานหลวงพ่อเทียนก็ชอบมามักจะมาสอบอารมณ์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 เห็นข้างนอกไหมหลวาพ่อเยนบอกไม่เห็นครับแล้วทำไงถึงเห็นข้างนอกพข เ, เปิดประตูมาเปิดประตูมาท่านก็ถามต่อไปว่าเห็นข้างในไหมเห็นครับเห็นข้างนอกไหมเห็นครับนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละปฏิบัติอย่างนั้นแหละอาทีแรกหลวงพ่อเยนบอกไม่เข้าใจแต่ว่าพอปฏิบัติไปสักพักก็เข้าใจว่าอ๋ท่านหลวงพ่อเทียนท่านมาแนะให้